ให้ถือในช่วงพ้นจากระยะนั้นเสนาสนะที่จะให้ถือในวันเข้าพรรษาต้นพึงให้ถือในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเสนาสนะที่จะให้ถือในวันเข้าพรรษาหลังพึงให้ถือในเมื่อเดื อ, ดอนแปดล่วงไปหนึ่งเดือนเสนาสนะที่จะให้ถือในช่วงพ้นจากระยะนั้น พึงให้ถือในวันถัดจากวันปวารณาคือวันแรมหนึ่งค่ำเพื่ออยู่จำพรรษาต่อไปภิกษุทั้งหลายการให้ถือเสนาสะนะมีสามอย่างนี้ทุกติยภานวานจบ